ในทีมบ้านอารีโยนโฉมหน่อยยกมือรอบนี้ส่วนมากเด็กๆหน่อยดีไม่ค่อยเพ่งทีมไ ฟ, ฟฟ้าครับก่อนนี้นักเพ่งเยอะเลยเพ่งมากๆภาวนายากพวกเราชอบคิเดเอาเองนะ ว, ว่าภาวนาเนี่ยเริ่มต้นต้องทำสมถะ บางคนนะเริ่มต้นต้องทำสมถามันขึ้นกับจริตนิสัยคนมนะีธีปฏิบัติมีทั้งหลายวิธีมันขึ้นกับจริตนิสัยแต่ละคนไม่เหมือนกันนั้นธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเลยมีเยอะแยะไปหมดเลยธรรมะที่จำเป็นสำหรับคนคนหนึ่งนะั้นไม่มากเท่าไหร่นิดเดียวทำกรรมฐานนะั้นเจริญสติด้วยอารมณ์กรรมฐานนะคู่ใดคู่หนึ่งก็พอละเป็นหลักไ้ บางคนรู้แค่ลมหายใจลมหายใจออกลมหายใจเข้านี่ก็คู่นึ่งบางคนรู้อิธิยาบทยืนเดินนั่งนอนยืนเดินนั่งนอนก็ถือว่าเป็นคู่เหมือนกันถึงว่าเป็นกลุ่มมีการเปรียบเทียบได้เปลี่ยนเงี้ยไปเปลี่ยนกันมาได้เดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็นอนบางคนดูความเคลื่อนไหวความหยุดนิง่งในสัมปชัญญะบัพเะ เป็นเคลื่อนไหวก็หยุดนิ่งกระดุกกระดิกแล้วรู้สึกหยุดแล้วก็รู้สึกบางคนดูเวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยนี่ก็ถือว่าเป็นคู่เหมือนกันคําว่าคู่เนี่ยไม่ใช่ว่าต้องสองอันคู่หมายถึงว่ามีการเปรียบเทียบได้มันพลิกไปพลิกมาได้อย่างเหรียญอันหนึ่งมันมีคู่มีด้านหน้าด้านหลังมีหัวมีก้อย มีกลางวันมีกลางคืนบางคนดูเวทนาที่เกิดในกาย<ม>บางคนดูเวทนาที่เกิดในใจแล้วแต่จริตนิสัยดูอะไรได้อาวันนั้นนะบางคนก็ดูจิตนะดูก็เป็นคู่คู่คนไหนที่โมโหก็ดูจิตกโกรธจิตมีโทสะคู่กับอะไรคู่กับจิตที่ไม่มีโทสะ ทั้งวันก็มีจิตสองชนิดหนึ่งมีจิตที่มีโทสะกับไม่มีโทสะแต่ตอนไม่มีโทสะเนี่ยอาจจะมีราคะก็ไดนะ้หรือว่าเป็นกุศลเลยก็ได้คนไหนขี้โลภโลภมากก็ดูจิตที่มีโลภะคู่กับอะไรคู่กับจิตไม่มีโลภะคนไหนฟุ้งซ่านนะก็ดูใจทรงข้ามกันนะเป็นคู่ปรับกันนะคือหดหู คนไหนช่างคิดหลงหลงคิดทั้งวันนะก็ดูกับจิตที่รู้สึกตัวจิตที่รู้สึกนั่นเป็นคู่คู่ทไมต้องดูเป็นคู่คู่เราความจริงเราดูสภาวะอันใดอันหนึ่งเนะเราจะเห็นคู่ของมันเองอย่างเราเห็นจิตที่โกรธเนี่ยทันทีที่เห็นจิตที่โกรธก็เกิดจิตที่ไม่โกรธที่ไหมจิตที่เป็นคนดูมันไม่โกรธหรอกคนไหนที้โลบดูจิตโลบทันทีที่รู้ว่าจิตโลบมันก็มีจิต ที่เป็นคนดูจิตโลภจิตที่เป็นคนดูเนี่ยไม่โลภหรอกคนไหนหลงบ่อยใจลอยหลงไปนะรู้ทันว่าหลงก็เกิดจิตที่ไม่หลงจิตที่รู้สึกตัวขึ้นมาแล้วความหลงมันเกิดแล้วมันดับไปนันจะเป็นคู่คู่กันไปเห็นคู่เดียวเป็นหลักเอาเป็นหลักนะไม่ใช่ว่าเห็นคู่เดียวแล้วไม่เห็นอย่างอื่นเลยใช่ไม่ได้แร้วพอนาไปแรกๆ ก, ก็รู้จักสภาวะน้อย เช่นโกรธขึ้นมาแล้วถึงจะรู้อะไรนี่โลภแรงๆแล้วถึงรู้อะแต่มาหาัดดูไปเรื่อยนะเอาตัวใดตัวหนึ่งเป็นฐานไหมเรียกว่าเป็นมิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่บ่อยๆมิหารธรรมแปลว่าบ้านที่อยู่อาศัยจิตของเราเนี่ยถ้าไม่มีบ้านอยู่มันจะล่อนเร่ไปเรื่อยเป็นจิตจอจัดจรจัดหมายถึงจอตลอดเวลาเคลื่อนไปเรื่อยลงตลอดเวลา เราเอาบ้านให้จิตอยู่นะจิตเข้ามาอยู่บ้านอยู่บ้านแล้วมีความสุขไม่ใช่อยู่คุกนะถ้าอยู่คุกหมายถึงเข้าไปแล้วห้ามออกพวกเราทํศากรรมฐานบางทีใจเราอึดอัดขึ้นมารู้สึกไหมภาวนาแล้วใจเราอึดอัดเราไม่มีบ้านให้จิตอยู่แต่เรามีคุกให้จิตอยู่เช่นเราไปสั่งจิต น, นะว่าต้องอยู่กับพุโทโธห้ามไปที่อื่นต้องอยู่กับลมหายใจห้ามไปที่อื่นต้องอยู่กับท้องพองยุบห้ามไปที่อื่นต้องอยู่กับเท้าที่เคลื่อนไหวห้ามไปที่อื่น ถาบังคับให้มันอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะมันเหมือนติดคุกนะจิตอึดอัดแต่จิตอยู่บ้านเนี่ยหมายถึงว่าพามันมาอยู่กับอารมณ์อันเดียวนี้แหละอารมณ์คู่เดียวนี้แหละมาอยู่แล้วเวลามันมีธุระมันจะออกจากบ้านเมื่อไหร่ก็ได้ไม่เครียดหรอกเพราะั้นเวลาที่เรามารู้อารมณ์อันใดอันหนึ่งที่เป็นวิหารธรรมของเราอยู่นี้จิตหนีไปรู้อย่างอื่นได้เมื่อไหร่ก็ได้ไม่ว่าไม่ห้าม เช่นเรารู้พุทโธพุทโธอยู่เนี่ยจิตจะแอบไปคิดเรื่องอื่นก็ได้แต่พอไปคิดเรื่องอื่นแล้วให้เรารู้ทันว่าจิตหลงไปแล้วหรือเราอยู่กับลมหายใจหายใจออกหายใจเข้าไปเรื่อยใหจิตหลงไปคิดเรื่องอื่นลืมลมหายใจก็ใช้ได้ใช้ได้ตรงที่เรารู้ทันว่าจิตลืมลมหายใจไปแล้วเรามีวิหารธรรมอยู่เนี่ยเพื่อจะเอาไปสังเกตสังเกตจิตที่เคลื่อนไหวไป เมื่อไรจิตทิ้งวิหารธรรมไปนะเราก็รู้ทันเมื่อไรจิตกลับมาอยู่กับวิหารธรรมเราก็รู้ทันเราจะเห็นเลยเดี๋ยวจิตก็อยู่เดี๋ยวจิตก็ไปนะจะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเฝ้าดูในสุดจะเห็นไตรลักษณ์นะเห็นไตรลักษณ์เช่นใจเราโกรธบ่อยๆเราก็ดูใจที่โกรธเป็นวิหารธรรมะทันทีที่โกรธขึ้นมาเรารู้ทันว่าโกรธเนี่ยใจก็ไม่โกรธละ หรือโกรธขึ้นมาแล้วก็ลืมรู้ทันตัวเองไปคิดถึงคนที่ทำให้เราโกรธอย่าง น, นี้เรียกว่าเราลืมวิหารธรรมไปถ้าเราคอยฝึกมีวิหารธรรมอยู่จนชำนาญอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในกายในใจนี้จนชนานานญะมันจะหลงไม่ยาวคนทั่วๆไปหลงยาวนะหลงตั้งแต่ตื่นจนหลับทุกคนเลยคนที่ไม่พาวนาหลงตั้งแต่ตื่นจนหลับนั่นแหละ กระทั่งจะทำคุณงามความดีพ็่ ย, ยังหลงทำอีกนะอยากทำบุญอยากฟังธรรมอยากอะไรเนะี่ยความอยากยังครอบงาใจไม่เคยเห็นนะก็ได้บุญเหมือนกันนะได้บุญแบบอย่าอยู่กับโลกไม่ได้บุญที่จะพ้นโลกหรอกนั่นเราคอยรู้สึกนะคอยรู้ทันมีวิหารธรรมไว้อันหนึ่งคนไหนถนัดรู้ลมหายใจก็รู้ไปคนไหนถนัดรู้พุทโธก็รู้ไปกลพุทโทมอยู่ในสติปัฏฐานไหมไม่อยู่หรอกนะ พุทโธเป็นความคิดหัดพุโทโธก็คือหัดเอาจิตเป็นวิหารธรรมพาพุโทโธพุธโทโธนะจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่ น, นขึ้นมาก็จิตเป็นพุโทโธตัวจริงพุโทโธพุธโทโธจิตหลงไปคิดนะพุโทโธก็หายไปเป็นจิตที่หลงหัดพุโทโธแล้วก็รู้ทันจิตครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะท่านภาวนาเก่งมากเลยแล้วก็เรื่องทางจิตใจนะท่านแพรว่านาอัศจรรย์ท่านอาจารย์บุญจันทร์ ใจบุญจใจทำผาพึ่งเคยสอนหลวงพ่อนะตอนหัดใหม่ๆบ่าพุทโธใจรู้พุทโธรู้ใจไม่ใช่พุทโธเฉยๆสอนพุทโธใจรู้หมายถึงพุทโธเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าพุทโธแล้วก็รู้ทันใจตัวเองไปเรื่อยอย่างนี้เรียกว่าพุทโธเป็นถ้าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไม่ให้ใจหนีไปไหนเลยนะก็ได้แต่สมถะก็ได้แค่นั้นไม่มีอะไรมากกว่านั้น แต่ถ้าพุโทโธเรารู้ทันใจทําว่าเราเอาอะไรเป็นมิหารธรรมเร า, เาจิตนั่นแหละเป็นมิหารธรรมเพะฉะนั้นถ้าภาวนาถูกต้องพุโทโธไปเรื่อยนะทำที่สุดแห่งทุกได้ครูบาอาจารย์หลายองค์เคยพูดบอกว่าพุโทโธตัวเดียวนี้แหละทาให้ถึงที่สุดได้แต่ถ้าเราไปคิดว่าพุโทโธทําให้ถึงที่สุดลราพุโทโธลูกเดียวเลยนะพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธจิตนิ่งนงิไม่ถึงที่สุดหรอกได้เทวโลกเพราะไม่ถึงฌาน ท่อพุโทโธเฉยๆไม่ถึงฌานนะต้อไปรู้ลมหายใจถึงฌานได้แต่ถ้าพุโทโธเรารู้ทันใจเอาพุโทโธเป็นวิหารธรรมเจริงๆคือเอาจิตเป็นวิหารธรรมเอาพุโทโธเป็นเหยื่อล่อจิตพุโทโธเป็นเหยื่อตกปลาจิตเป็นปลาเรารู้ทันจิตงั้นในกายเวทนาจิตธรรมนี่แหละใช้อะไรก็ได้นะที่เราคุ้นเคยเราถนัด รู้กายเราก็รู้กายถนัดรู้เวทนาก็รู้เวทนาถนัดรู้จิตก็รู้จิตถนัดรู้ธรรมเขรู้ธรรมไปอะไรก็ได้เหมือนๆกันหมดแหละถ้ารู้ถูกต้องลราสติเกิดสัมมาสมาธิเกิ ด, กดปัญญาเห็นไตรลักษณ์เกิดขึ้นนะงั้นในตำราเราสอนไวช้ชัดเลยว่าสติปัฏฐานสี่เหมือนประตูเมืองสนะี่ทิศเข้าประตูเมืองเราต้องเข้าทั้งสี่ทิศไหมไม่ต้องเข้านะ เข้าทิศเดียวแหละเข้าประตูเดียวแหละก็เข้าเมืองได้บางท่านท่านรู้กายแนละ้วถึงพระอรหันต์บางท่านรู้เวทนาท่านถึงพระอรหันต์บางท่านรู้จิตถึงพระอรหันต์บางท่านรู้ธรรมแล้วก็ถึงพระอรหันต์ไม่ใช่ต้องมีสเต็ปย่า้ ง, งานอย่างนี้ไม่จำเป็นหรอกมีตัวอย่างที่ชัดๆเลยท่านที่รู้กายแล้วบรรลุพระอรหันตนะ์คือพระอ น, นุน ในพระไตรปิฎกบอกเลยคืนสุดท้ายนะพระานนย์ยังราตรีสุดท้ายให้ล่วงไปด้วยกายด้วยกายมีสติรู้กายไปท่านที่รู้เวทนาแล้วก็ถึงที่สุดนะั่นคือท่านพระสารีบุตรพวกกายจะสู้พวกเวทนาไม่ได้พวกเวทนาแตกฉานไกวเพราะกายานี้ทั้งทําง่ายเวทนาทำยากเหมาะกับพวกที่อินทรีย์แก่กล้ามากมากบาร ม, มีเยอะ ท่านที่บรรลุด้การดูจิตก็มีคือท่านพระอนุรุตท่านพระอนุรุตดูจิตจิตมีกิเลสเลยท่านคอยรู้รู้ด้วยความเป็นกลางรู้แล้วไม่เข้าไปปรุงแต่งท่านไปถามท่านพระสารีบุตรบ่กข้าแต่ท่านพระสารีบุตรผู้เจริญผมมีที่พระจักษุเลิศเกิดเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผมเห็นโลกาธาตุตั้งพันโลกเกิดดับในเวลาครู่เดียวทําไมผมไม่บรรลุพระอราหารันต์สติ ท่านภาษาริบุตรก็สอนท่านพระอนุรุทธให้ดูจิตเลยดูจิตเนี่ไม่จําเป็นเราต้องส่งจิตไปดูเขานะไม่จําเป็นหรอกแค่เขาพูดออกมานี่ยถ้าเขาไม่แกล้งพูดนะมันก็สะท้อนสิ่งที่อยู่ในจิตใจของเขาออกมาละอย่างท่านภาษาริบุตรท่านคงไม่ได้ไปดูจิตท่านพระอนุรุทธกเสียเวลาท่านแค่ฟังปุ๊บท่านก็รู้แล้วว่ามีกิเลสอะไรท่านก็แยกให้พระอนุรุทธ์ฟังบอกตรงที่ท่านบอกว่า ถ้าผมมีที่พจักษุเลิศกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายท่านมีมานะนะมีอติมานะกูเก่งกูเก่งเก่งกว่าคนอื่นนะตรงที่ท่านบอกว่าท่านดูโลกกธาตุตั้งพันโลกทําไมท่านไม่ดูกายดูใจตัวเองท่านไปดูของนอกนะเนี่จิต ท, ท่านฟุ้งซ่านมีอุทธธัดจะฟุ้งซ่านตรงที่ท่านบอกว่าเอ๊ะทาไมผมไม่บรรลุพระอราหารันตะ์สักทีนั้นท่านมีกุกกุจจะคือความรําคาญใจ นะท่านแยกด้วยคําพูดที่พระอนุรุตพูดออกมานี่เองสะท้อนเลยว่ามีกิเลสไหลไซ่อนอยู่สําหรับคนที่ฟังเป็นนะก็รู้เลยท่านพระสารีบุตรก็สอนท่านพระนิรุตว่าให้ท่านรู้ธรำสาธธรรมให้รู้ทันนะทำสามอย่างเนี้ยก็คือความอวดเก่งอดดีกูเก่งกูแน่เห็นไหมความฟุ้งซ่านของจิตที่ไปดูโ น, น่นนี่ไม่ดูตัวเองนี่ให้รู้ทันใจที่ฟุ้งซ่านแสาสายออกข้างนอก จิตส่งออกนอกให้รู้ทันใจที่เล่าร้อนว่าทําไมมันไม่บรรลุสักทีบอกให้ท่านรู้ทำสามอย่างเนี้ยรู้ทันทำสามอย่างนี้น้อมจิตไปสู่อมะตะธาตาุอมะตะธาตุคือนิพพานคือความไม่ปรุงแต่งกนะ็เห็นเลยทำสามอย่างนี้เป็นความปรุงแต่งพ้นจากความปรุงแต่งก็คือความไม่ปรุงแต่งนะนี่ท่านก็บรรลุพระอราหันต์ด้วยการดูจิตเนะท่านที่บรรลุพระอราหันต์ด้วยการเจริญธรรมานุปัสสนาใครรู้จักไหมมีไหม นึกออกไหมพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจเจริญอะไรจะเจริญธรรมานุปัสสนในบทไหนในบับไหนในหมวดไหนในสัจจะบัตรู้อริยสัจนั้นท่านรู้แจ้งเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเพราะท่านรู้แจ้งอริยสัจนะต่หลวงพ่อเด็กๆ ก, ก็เซอ่อเซอ่ออ่านพุทธประวัติโอ้ท่านทําอาณาปานาสติเนี่ยแล้วก็เลยคิดว่า ท่านรู้แจ้งเป็นพระพุทธเจ้าพราะอาณาปณสติไม่ใช่อาณาปณสติของท่านทําเพื่อให้จิตตั้งมั่นเสร็จแล้วท่านน้อมจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยไปรู้แจ้งอริยสัจอริยสัจก็คือกระบวนการเกิดขึ้นของความทุกข์กระบวนการเกิดขึ้นของความทุกข์เริ่มจากอาวิชชาความไม่รู้แจ้งอริยสัจไม่รู้แจ้งในกองทุกข์กองสมุทยัยกล่องนิโรธกองมรรคจิตก็จะหลงปรุงแต่งเกิดความอยาก เกิดความยึดถือเกิดการทำงานของจิตเกิดความเป็นตัวเป็นตนเป็นทุกข์อะไรขึ้นมานี่ท่านรู้แจ้งอรยิยสัจขึ้นมาเห็นไหมดูจิตกระทำเห็นไมพวกทําเหนือกว่าหรอกไหมนั่นกายกับเวทนาเนี่ยคู่หนึ่งนะเหมาะกับพวกตัณหาจริตพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามจิตกระทำเนี่ยเหมาะกับพวกทิฏฐิจริตพวกคิดมาก ทำมันงเป็นคู่คู่เพราะงั้นถ้าอินทรีย์ยังอ่อนนะดูกายหรือดูจิตไปถ้าอินทรีย์กล้าเนี่ยจิมจะพลิกไปดูเวทนาหรือดูธรรมานุปัสสนาเองนะทางใดทางหนึ่งนะก็เข้าไปถึงความบริสุทธิ์หลุดพน้นอันเดียวกันนะอันนี้ในตำราเรามีเยอะแยะเลยคนที่เข้าภาวนาเข้าใจแจ้งแล้วเนี่ยเหมือนคนขึ้นยอดเขาได้คนที่ขึ้นถึงยอดเขาเนี่ยมองไปรอบตัวได้แนละ้ว รู้เลยทางขึ้นเขานะีมีทั้งสีทิศเลยในทางนี้ต้องปีนหน้าผานะยากหน่อยบางคนให้มันขึ้นดีๆไม่ชอบนะต้องปีนบูกเขาขึ้นไปบางคนชอบสบายมีถนนขึ้นมามนขับรถขึ้นมาเลยขึ้นยอดเขาเหมือนกันนะผู้เขาเดียวกันเลยไอ้พวกไหนเคยขับรถขึ้นมานะียังไม่สุดทางแล้วก็คิดว่าขับรถขึ้นไปดีที่สุดไอ้พวกชอบปีนหน้าผาก็ว่าปีนหน้าผาดีที่สุดแต่ละคนไม่เหมือนกันนะ กันเราก็ดูตัวเราเองจับหลักให้แม่นแม่นมีสติรู้กายมีสติรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางนะรู้ไปเรื่อยรู้ลงปัจจุบันไปไม่ใช่คิดใช่ฝันไปถึงอดีตไม่ใช่คิดกำนึงไปถึงอนาคตรู้กายรู้ใจที่กำลังปรากฏในปัจจุบันรู้อย่างที่เขาเป็นไปเรื่อยๆนี่หลวงพ่อเขียนเป็นหนังสือไว้นะเรื่องทางเอกลงไปอ่านดูกำจิงเขียนไว้หลายเส้นะมี ครูบาอาจารย์ท่านเอาไปอ่านนะครูบาจารย์จารอนุสอนเนี่ยเอาไว้ให้หลวงพ่อถุยอ่านรู้จักหลวงพ่อถุยไหมอยู่วัดป่าด่านวิเวกอาจารมหาบัวรับรองเลยนะตอนจันมหาบัวยังแข็งแรงกว่าช่วงเนี้ยท่านไปทุกเดือนเลยไปวัดป่าด่านวิเวกทุกเดือนไปเยี่ยมกันท่านยกย่องหลวงพ่อถุยมากเลยครูบาจารย์รุ่นนี้ที่ท่านยกย่องนะั้นก็มีอาจารย์ถุยนะจันย์จันเรียน จันวันชัยหหลวงปูล่ลีมีอะไรมีสี่ห้าองค์ท่านเนี้ยที่ท่านยกย่อง่ยที่ที่รู้อยู่นะนี่พออาจารย์ตุยท่านเอาซีดีหลวงพ่อไปฟังแนละ้วหนะังสือไปอ่านนะเสร็จแล้วท่านก็มาบอกลูกศิษย์ท่านอุบาลาจารบอกท่านอ่านแล้วท่านเห็นด้วยทุกอย่างเลยที่หลวงพ่อเขียนเนี่ยนะเห็นด้วยถูกต้องทุกอย่างไม่เห็นด้วยอยู่ข้อเดียวเห็นไหม ครูบาอาจารย์ยังมีความเห็นที่แตกต่างข้อที่ท่านไม่เห็นด้วยนะคือหลวงพ่อบอกการพาวนานี้ง่ายท่านบอกยากนะยากเพราะันมีความต่างอยู่หนึ่งข้อต้องไปคิดเอาเอยางยากหรือง่ายท่านพูดต้องถูกของท่านแหละนะเอ้เราทําเรารู้สึกไม่ยากแต่เวลาทําเป็นแล้วมันไม่ยากนะมันยากตอนทําไม่เป็นถ้าได้หลักรองมันง่ายแล้วมันยากมากเลยที่คนคนหนึ่งจะตื่นขึ้นมา แต่ไม่ยากเลยนะที่คนเพิ่งตื่นขึ้นมาแล้วมีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันเนี้จะบรรลุมรรคผลนิพพานในชีวิตนี้ะพูดกลมุมนะมองต่างมุมถ้าจุดสตาร์ทเนี่ย โ, โหยากมากเลยกว่าคนหนึ่งจะตื่นขึ้ น, นมารู้ตัวเป็นนอะเพราะคนในโลกนี้หลงตลอดเวลาหลงโลกเลยเพลิน เ, ลนเพลินไปวันหนึ่งวันหนึ่งนะหลงไปหาคนที่รู้สึกตัวนี่หาแทบไม่ได้เลยเมื่อก่อนหลวงพ่อพูดเรื่อยๆในโลกไม่มีคนรู้สึกตัวเลย มีนับนับองได้นับท่านได้มีไม่กี่ท่านในโลกนอกจานั้นมีแต่คนหลงถ้ารู้ตัวเป็นนั้นก็รู้กายรู้ใจไปอะไรก็ได้นะแล้วแต่สะดวกแต่ไม่ใช่แล้วแต่กิเลสนะแล้วแต่จริตนิสัยของเราถ้าเราเป็นคนรักสุขรักสบายรักสวยรักงามก็แนะนําให้ดูกายก่อนจะดูกายต้องทําสมาธิกันทําสมถะ การปฏิบัติเนี่ยมีทั้งสี่ช่องทางท่านพระ อ, อนนท่านสอนไว้บางท่านใช้สมาธินำปัญญาทำใจให้สงบออกมานะพอใจสงบแนละ้วมันชอบเฉยอยู่เนี่ยให้มาดูไกาอย่าไปทำความสงบแล้วไปดูจิตนะนิสิมเชนดิ้ ง, งไม่มีอะไรให้ดูไม่เคลื่อนไหวให้ดูนนิ่งๆไปเลยเพราะฉะนั้นท่านผู้ใดชอบ รักสุขรักสบายอะไรเนี่ยทําความสงบง่ายเพราะว่าทําแล้วมีความสุขก็จะชอบทําสมาธิพอทําความสงบแล้วเนี่ยมกักจะติดในความสงบอยู่เฉยๆเท่านี้ใช้ไม่ได้ไปไม่รอดนะต้องมาเดินปัญญามีสติค้นคว้าลงในกายเบื้องต้นจิตมันไม่ยอมรู้กายนะก็อาศัยการน้อมนึกไปคิดเอาคิดพิจารณากายเป็นอุบายเพื่อให้จิตเคลื่อนไหวไม่ให้จิตติดเฉย พิจารณาไปนิดหน่อยนะพอให้ใจมันคุ้นเคยที่จะเดินปัญญาคุ้นกว่าอยู่ในกายแล้วเนี่ยต่อไปไม่ต้องคิดเอารู้สึกเอาะรู้สึกอยู่ในกายเรื่อยๆเห็นกายมันทางานไป<ๆ>เรื่อยๆก็จะเห็นความจริงของมั น, นะอันนี้สําหรับคนที่ชอบทําสมาธิะชอบความสุขความสบายทําความสงบแล้วมาดูกายเอา อ, อีกพวกหนึ่งพวกคิดมากพวกคิดมากทําสมาธิไม่สําเร็จหรอก ท่านพระนนก็สอนบอกว่าพวกนี้ใช้ปัญญานำสมาธิใช้ปัญญานำสมาธิคือใ ห, ให้มีสตินี่แหละรู้กายรู้ใจของเราไปโดยเฉพาะดูใจรู้ทันใจของเราใจนี้เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายแนกะว้งขึ้นแกว้งลงทั้งวันเลยหมุนติ้วติ้ติตทั้งวันมีสติตามดูไปดูไปดูไปนะจิตที่เป็นคนดูเนี่ยมันจะค่อยตั้งมั่นค่อ ย, ค, อยค่อยสงบขึ้นมาสมาธิมันจะเกิดเอง กระท่านตอนที่เกิดอริยมรรคนะยังไงก็เกิดฌานบางคนคิดว่าถ้าไม่ทําฌานแล้วจะไม่เกิดมรรคเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงเลยเนะงั้นพวกสุขาวิปสัสสกะนะเป็นพระละหันส่วนใหญ่นะสุขวิปสัสสกะนะพระเจ้าท่านบอกว่าในภิกษุห้าร้อยองค์เนี่ยจะมีภิกษุที่ได้วิชาสามวิชาสามเนี่ยหกสิบองคนะมีเลทของท่านนะอันนี้เลทของคนรุ่นท่านด้ยนะไม่ใช่เลทของเรานะ รุ่นเนี้เหรอห้าร้อยองค์ไม่บรรลุเลยส <c oughs> ือนมากแกอย่างนั้นนะของท่านห้าร้อยองค์เนี่ยเป็นวิชาสามซะหกสิบเป็นอภิญญนยาหกซะหกสิบจะได้เรียกว่าอุปตโตภาควิมุตตนะ์คือมีทั้งคู่เลยนะได้ทั้งปัญญาทั้งสมาธิเนี่ยหกสิบนะแล้วก็เป็นสุขวิปัสสกะเนี่ยพวกที่เหลือพวกนี้ไม่ได้ส่งชานนะไม่ได้ชาน จเจริญสติดูจิตดูใจเรื่อยไปนี่แหละถึงจนุหนึ่งนะฌานมันเกิดขึ้นในขณะที่เกิดอริยมรรคจะไม่ชำนาญในสมาธิไม่มีของเล่นงั้นส่วนใหญ่เนะี่ยจะบารู้ด้วยลักษณะของสุขวิปัสสกะไม่มีสมาธินำหรอกนะนนดูไปเลยอย่างท่านสอนชาวบ้านไมสมัยพุทธกาลสอนชาวบ้านชาวบ้านฟังแล้วปิ๊งปิ๊งปิงิ๊งบรรลกันแย่เลยพวกนี้ไม่ได้เข้าฌาน บางคนเข้าใจผิดแล้วต้องเริ่มด้วยกันเข้าชาั้นแล้วเข้าใจผิดก็ไม่เป็นไรขอให้เข้าเถอะเข้าแล้วก็มาดู ก, กายให้ดีกันแล้วกันนะพอพ้นทุกได้พอพ้นทุกแล้วก็เหมือนอย่างครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่นี่แหละเกือบทั้งหมดนะท่านดู ก, กายมไหะท่านดู ก, กายท่านพนนะ้นแล้วเราไปเรียนกับท่านไม่เห็นท่านวาสโกงเลยไม่ว่าองค์ไหนนะไม่เห็นเคยบ่นหลวงพ่อเลยมีแต่คอยแก้ให้คอยต่อยอดให้อาจารย์มหาบัวก็เคยสอน หลวงพ่อหัดดูจิตนะดูดูไปเรื่อยนะมันพอได้รู้เรื่องอะไรบ้างแล้วละ่ะแต่มันมันไม่พน้นสักทีเหมือนพระนุรุนะผมก็ดูจิตอยู่ตลอดวันตลอดคืนทำไมผมไม่มารู้พระอรหันต์สักทีแต่ไม่ได้ถามท่านอย่างนี้นะแต่โดยเนื้อหาถามแบบนี้ถามนี้ท่านมองหน้าพลาดท่านก็แก้ให้เลยท่านบอกที่ดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วดูไม่ถึงจิตแล้วให้ไปบริกรรม ทำความสงบเพ่อให้ใจตั้งมั่นพารู้เล้ใจไม่ตั้งมั่นมาพิจารณาทีหลังนะรู้ว่าใจไม่ตั้งมั่นพอ ร, รู้ตรงเนี้เอาตัวรอดไดนะ้เพราะงั้นเวลาการปฏิบัตินะบางท่านใช้สมาธินาปัญญาบางท่านใช้ปัญญานาสมาธิบางท่านใช้สมาธิและปัญญาควบกันนะมีอีกพวกหนึ่งพวกที่สี่พวกที่สี่เนี่ยคนที่อ่านตําราจะไม่เข้าใจ แต่คนที่เรียนกับหลวงพ่อแล้วชักจะเข้าใจพวกที่สี่เนี่ยนะท่านบอกว่าจะมีโอภาษมีอุทัจัะกั้นไว้มีใจที่ฟุ้งซ่านเนี่ยกั้นไว้แล้ก็มีโอภาษ์ติดอยู่ตรงเนี้ยพอรู้ทันนะก็หลุดพ้นออกมาเกิดมรรคพวกเราที่ภาวนาที่ดูจิต ด, ดูใจรู้สึกไหมดูจิต ด, ดูใจแเราว่างๆสว่างขึ้นมาแล้วเราก็เพลิดเพลินพอใจอยู่ตรงนั้นใจเนี่ยฟุงงฟ้งซ่านฟุ้งซ่านออกไปไหน ฟุ้สซ่านออกไปอยู่ในความว่างๆติดโอภาษ์อยู่ติดวิปัสสนูนั่นแหละวิปัสสนูมีสิบตัวนะมีโอภาษ์นี่เป็นตัวอย่างบางคนติดมีปัญญามากจิตฟุ้งไปในปัญญาบางคนเจริญสตินะแล้วจิตฟุ้งไปในการมีสติค่อยจดจอ่อจ่อจ อ, จ อ, จ อ, จ อ, จอฟุง้งมีหลายแบบบางคนมีความเพียรมากไปจิตฟุ้งซ่าน แต่ว่าพวกที่ดูจิต ด, ดูใจนะตอนหลังๆเนี่ยใจไปว่างๆลงๆว่างๆอยู่แล้วก็ฟุ้งไปอยู่ในความโล่งกว่างๆอาการที่ปรากฏจะรู้สึกสงบนะแต่ถ้าดูเป็นจะรู้ว่ามันฟุ้งซ่านออกไปมันส่งออกนอกออกไปเ น, นี่ยท่านพานนท่านบอกว่าถ้ารู้ทันตัวนี้นะก็เกิดหมักได้เห็นมมีสี่แบบที่เห็นๆ น, นะยุคนี้ก็มีทำสมถะนะทำสมาธิแล้วไปต่อปัญญา จเจริญปัญญาแล้วไปเกิดสมาธินะอุปโตภาคอะไรก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่และค่อยมีส่วนพวกโอภาษเนี่รุ่นต่อไปที่จะเยอะแล้วพวกที่มาเรียนเรียนดูจิตดูใจระว่างๆขึ้นมามีติดอยู่ตรงนี้เยอะแต่ไม่ใช่ว่าดูกายไม่มีวิปัสสนูนะดูกายก็มีวิปัสสนูไม่น้อยเหมือนกันเลยวิปัสสนูบางทีคลุ้มคลั่งนะที่ยวกัดคนนี้คนนี้อยากเทศอยากแสดงธรรมนั่นพวกวิปัสสนูนะหลวงพ่อคยเจอ ผู้หญิงทนหนึ่งนะปกติเนี่ยถ้าไม่พูดธรรมะเหมือนคนปกติเปียกเลยแต่พอพูดธรรมะเนี่ยใจร <c oughs> ะเบิดเถิดเทิง เ, เ, เ, เลยนะเป็นสุดเบี่ยงไปเลยนะแล้วก็สงสัยเอ๊ะเข้าไปหาครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่นะตั้งหลายองค์ทําไมท่านไม่แก้ให้ดูดูดโแก้ไม่ไหว嘛รอพระสีอานมาแก้ก็แล้วกันนะดูแล้วพู้เท่าก็แก้ไม่ไหวะอย่างเราก็แก้ให้ไม่ได้เพราะเขาไม่ได้นับถือเราเราพระเด็ก เรียนจากครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่เลยนี่มีหลายแบบนะพวกวิปัสสนูนเพี้ยนไปมันคิดว่ากูเป็นพระอรหันต์ด้วยซ้ยําไปะยังอยู่ในโอภาษ์นะใจโล่งว่างเลยบอกไม่มีกิเลสเลยมัรู้พระอรหันต์แนละระวังให้ดีนะดูจิตดูใจแล้วมันจะไปอยู่ในความว่างความสว่างเนี่ยความโปร่งใสแต่จิตส่งออกนอกถ้าสังเกตให้ดีจิตออกนอกจิตไม่ถึงฐานไม่ตั้งมั่นหรอกไปโล่งๆสบายอยู่ บอกว่าไม่มีกิเลสทั้งๆ ท, ที่กิเลสเกิดครอบอยู่มองไม่เห็นนะในการปฏิบัติมีทั้งหลายแบบนะทางใครทางมันครูบาอจารย์องหนึ่งท่านสอนดีหลวงปู่ดู่หลวงพ่ อ, อยังเสียดายเลยไ ม, ไม่ไม่รู้จักท่านใส่ไน้นมัวแต่ลุยอีสานนะไม่รู้ว่าพระดีก็อยู่อโยธยาศรีรามเทพนคร น, นี่เองนะไปวิ่งไปสไกายเลยหลวงปูด่ดูท่านสอนดีว่า คนภาวนานะมันมีกิเลสหลายชั้นกิเลสขั้นละเอียดเนี่ยดูยากมากท่านยกตัวอย่างกิเลสละเอียดละเอียดนะอันแรกเลยบ้าอาจารย์เป็นเปล่าเห็ <c oughs> นะ ไ, ไหมคําสอนครูบาอาจารย์แต่ละองคนะ์นั้นเด็ดๆทั้งนั้นเลยพวกที่หนึ่งพวกบ้าอาจารย์อาจารย์ชั้นนยอดที่สุดเลยอาจารย์ชั้นเป็นพระอรหันต์ตัวจริงนะคนอื่นไม่ใช่หรอกอาจารย์ชั้นเก่งกว่าคนอื่นองค์อื่นถึงเป็นพระอรหรันต์ก็ไม่ฉลาด ไปอย่างน้อยก็มีนะเนี่ยพวกบ้ามากแล้วนี่พวกกิเลสครอบงําพวกที่หนึ่งพวกบ้าอาจาร์ภูมิใจแล้วนะได้ได้เป็นลูกศิษย์อาจารย์ท่านนี้ภูมิใจแล้วอาจารย์ยังไม่ได้ภูมิใจลูกศิษย์เลยลูกศิษย์ภูมิใจอาจารย์นี่พวกที่หนึ่งพวกที่สองนะที่หลวงปู่ดูดสอนนะพวกบ้าแนวทางปฏิบัติแนวทางของชั้นเท่านั้นละดีของคนอื่นไม่บรรลุหรอกนี่พวกบ้านะพวกกิเลส ชั้ละเอียดมีนะพวกหนึ่งพวกไปติดในความว่างๆนะนี่พวกเิเลสละเอียดดูยากนี่ท่านยกตัวอย่างเห็นไหมนักปฏิบัตินะท่านภาวนาของท่านดีๆนะี่ท่านไม่ได้ไปเรียนจากครูบาอาจารย์ที่ไหนที่ไกลๆนะท่านเรียนอยู่แถวยุธยาเนี่ยท่านก็ภาวนาของท่านนะธรรมะที่ท่านแสดงออกมาเนี่ยเป๊ะๆเลยอัศจรรย์มากเลยน่าทึ่งงั้นพวกเราก็สำรวจใจนะกิเลสละเอียดก็ดูยากหน่อย ค่อยๆหัดูถ้าไปพูดกับใครแล้วบอกเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อประมุแล้วภูมิใจอ่ะกิเลสนะถ้าบอกว่าการปฏิบัติต้องดูจิตเท่านั้นกิเลสนะเห็นไหมมันมีวิธีตั้งเยอะแยะไม่ใช่ว่าวิธีของชั้นดีที่สุดสุ ด, สดท้ายก็ชั้นนั่นแหละเห็นไหมถ้าใครพูดไม่เหมือนชันก็โมโหแล้วอยากสงสารนะอยากไปแก้ให้เขาถ้าเขาไม่ฟังก็โมโหแล้วมีนะเยอะแล้วก็พวกไปหลงอยู่ในภพภูมิที่ ประณีตภาวนาแล้ววันๆนะ้ไม่ยุ่งกับใครแล้วสบายเป็นพระอรหันต์มีแต่ความสุขล้วนๆนี่นิพพานนิพพานังปรมังสุขขังนี่ <laughs> พวกไรสาระนะดูกิเลนไม่ออกมันมีตันหาตันหามันมีราคะมีความเพลิดเพลินพอใจมีความยึดถือในความว่างความว่างก็เป็นภพมันหนึ่ง งั่นพวกเราภาวนาแล้วค่อยๆสังเกตไปนะการภาวนามีแต่เรื่องรู้กายรู้ใจนะนะั่นแหละรู้กายไปรู้ใจไปอย่าลืมมันนะส่วนสมถะคนไหนทําได้ให้ทํานะไม่ใช่ว่าดูจิตเราไม่ทําสมถะไม่ทําสมถะไม่ดีเลยถ้าทําสมถะได้ให้ทำํำนะถ้าทําไม่ได้ก็ต้องให้จิตได้พักผ่อนบ้างไหว้พระสวดมนต์ไปเรื่อยๆพุโทโธไปเรื่อยๆมันก็เป็นสมถะอ่อนๆ พุทโธพุทโธไปก็ได้ความสงบขึ้นมาใจสงบใจตั้งมั่นก็จะมีเรี่ยวมีแรงถ้าไม่ทําความสงบเลยนะไม่มีกระทั่งพุทโธไม่มีกระทั่งสวดมนต์ไหว้พระใจก็จะไม่ตั้งมั่นไม่ถึงฐานไม่ทําในรูปแบบเช่นไม่เดินจงกรมไม่นั่งสมาธิเลยจะมาเจริญสติในชีวิตประจําวันอย่างเดียวไม่พอหรอกไม่พอใจมันจะฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านแล้วนึกว่ารู้อยู่แต่ไม่รู้จริงหรอก เพราะนถ้าหากพวกเราภาวนานะเราตั้งเป้าแค่ว่าเราจะเป็นพลโลกเป็นคารวาสที่มีความสุขเป็นครืหั่ผู้ครองเรือนผู้ไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์อยู่กับโลกอยู่กับครอบครัวเราก็จเจริญสติไปนะหารู้กายหารู้ใจไปชีวิตเราก็มีความสุขมีความสุขมากกว่าคนที่ไม่จเจริญสติเนี่ยพ่สูจนได้เยอะแยะเลยทุกวันนี้หลวงพ่อมีพยานเยอะมากเลยแต่ถ้าใครอยากได้มากกว่ น, นิพพานก็ต้องขยันมากกว่า น, นั้น ไม่จริงการปฏิบัติในรูปแบบหรอกถึงเวลาไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมนะให้ใจตั้งมั่นให้ใจสงบได้พักผ่อนบ้างพอพักผ่อนจิตใจมีเรี่ยวมีแรงแล้วไม่พักผ่อนอย่างเดียวไม่เกิดปัญญาให้ออกมาคอยรู้กายคอยรู้ใจเอาไว้นะมารู้กายมารู้ใจไปเห็นกายทํางานเห็นใจทํางานรู้อย่างที่มันเป็นถ้ามันรู้แล้วมันไปติดนิ่งๆเฉยๆก็ช่วยมันคิดพิจารณ า, านิดหน่อย เช่ในใจเราไปติดในความว่างๆนะทำไงก็แก้ไม่ออกก็ช่วยมันคิดหน่อยนะเออว่างนี้มันก็เป็นภพอันหนึ่งนะอะไรเงี้ยยึดถือไว้ก็เป็นทุกข์ น, นะสอนมันนิดๆหน่อยๆนะใจมันถูกกระตุ้นเนี่ยมันจะได้ทํางานพอใจมันทํางานแล้วนะอย่าไปคิดอย่าไปคิดนํานะดูของจริงไปเรื่อยๆหลวงปู่เดินถ่งสอนไม่คิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้ประโยคสุดท้ายคือแต่กนะ็อาศัยคิดอาศัยคิดต่อเมื่อจิตไปติดล็อกไว้ คิดกระตุ้นเพื่อให้จิตมันเคลื่อนไหวอย่างมันมารู้กายแล้วรู้ทื่อๆไม่ยอมเดินปัญญานะั่นก็คิดพิจารณากายกระตุ้นมันนิดนึ่งพอมันเดินปัญญาเองนะมันเห็นกายไก่นี้ทํางานไปไม่ใช่ตัวเราแล้วไม่ต้องไปคิดแล้วดูของจริงลงไปดูจิตนะจิตไปติดนิ่งติดเฉยก็คิดนิดหน่อยนะจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตจึ่านี้นิ ด, น, ด, น, ดนิดหน่อยหนพอจิตมันเคลื่อนไหวมันทำงานนะสติระลึกตามระลึกไปนะไปฝึกเอานะ อยู่ในหลักอันนี้แหละที่ว่าให้ฟังเนี่ยใครเข้าใจที่พูดให้ฟังวันนี้ก็พ้นทุกข์นั่นแหละนะเชิญไปทานข้าวนี่หมดเลยครับ